ปฏิบั t นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนที่เรียกว่าอายตนาปภ ะ, ะนั้นสรงสอนในรูปให้บุคคลตั้งสติะระลึกรู้จิตของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของกิเลส เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดม ก, ดมมก ล, มดลิ่นด้วยจมูกริมรดด้วยลิ้นได้ถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งด้วยกายตลอดถั้งใจเป็นเหนียวนึกไปตรึกนึกในกรณีที่เกิดกิเลสขึ้นในขณะดันั้นก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากิเลสข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ เป็นคําสอนในบุคคลใช้สติเลึกรู้แล้วแต่เห็นว่าเป็นกิเลสก็เปลียนพยายามลดละ บ, บั้นเทาคือถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันแต่เฉพาะตอนนี้ทรงสอนในแนวที่กิเลสเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการแสดงอีกนัยยะหนึ่งการรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะตามปกติแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเกิดขึ้นจากการไม่รู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าคนผ่านถ้ารู้ตัวว่าตนเองเป็นผ่านก็สามารถที่จะเป็นบัณฑิตคือกลับเนื้อกลับตัวได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งคือเราเป็นยังไงก็ให้รู้ประจากตามความเป็นจริงอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ในเรื่องนี้เราก็รู้ว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็รู้ว่าเราไม่เข้าใจเราทำไม่ได้เราก็รู้ว่าเราทำไม่ได้เรายังทำไม่เป็นก็รู้ว่าเรายังทำไม่เป็นตรงนี้เรายังมีความบกพร่องก็รู้ว่าตรงนี้บกพล้อง เมือ่อรู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นแล้วก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่สิ่งนั้นไม่พึงประสงค์ซึ่งก็เป็นคุณลักษณะเดียที่ทรงใช้ตัวอย่างเป็นอุปมาเชีบเคียงให้คนผู้ศึกษาพิจารณาดูบางครั้งอาจจะยกตัวอย่างคนปั้นภาชนะดินแล้วก็ดูก็ตกแต่ง ส่วนไหนที่บกพร่องก็แก้ไขเพิ่มเติมให้ดีส่วนใดที่เกินไปก็ลดลงไปส่วนใดที่พอดีก็รักษาไว้จิตใจเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในส่วนใดที่มีความบกพร่องเราเห็นว่าเป็นความบกพร่องก็แก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาในคุณลักษณะเหล่านี้มันก็ใช้ในชี่ทั้งหลาย รุงอาหารแล้วปรากฏว่ารสชาติไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันขาดอะไรอะไรขาดไปอะไรเกินไปวควรจะเติมอะไรควรจะลดอะไรมันก็อาศัยจากการชิมเอาหรือบางครั้งที่ส่งสอนให้ดูในรูปทำแล้วทำอีกจนกว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการยกตัวอย่างช่างสอนที่ดัดทุกสอน หลังจากผ่านขั้นตอนมาจนถึงเป็นลูกศรแล้วก็ต้องการตรวจสอบพิพจารณาดูเอาดัดกับง่ามไม้แล้วก็เล็งด้วยหางตาดูว่าตรงแล้วอย่างแต่ยังไม่ตรงก็ลนไฟฐานน้า ม, มันโดงไฟแล้วก็ดัดฐานน้ามันโดงไฟแล้วก็ดัดแล้วก็เล็งจะทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ําอีกจนกว่าจะสุก การแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้เพราะคนที่ไม่สามารถรู้ว่าตนเองไม่สามารถในจุดใดก็ประปรุงแก้ไขในจุดนั้นคนไม่รู้รู้ว่าตนไม่รู้ก็แก้ไขในจุดที่ตนไม่รู้ตรงนี้ยังทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็มีการแก้ไขประปรุงในจุดนั้นจะรับสั่งแสดงในบาตต่อไปว่าคนโงท่ที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่ ก็เป็นคนโง่โดยแท้หรือเป็นคนพ่านโดยแท้กั น, นี่เราสังเกตพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายที่ประสบความทุ้ขความเดือดร้อนประกาศการกทําของตัวเองซ้ําๆำซักศา์ถูกจับกุมเพราะเมาสุราละวาดบ้างถูกจับการเล่นการพนันบ้างก่อการทะเลาะวิวาทกันบ้างปัญหานเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ก็ไม่ได้สํานึกว่าผลเหล่า น, นั้นเกิดมาจากเหตุคือการกระทำของตนเอง มาถูกจับปรุงก็ไปโยนความผิดให้แก่คนอื่นมาทีก็คิดรุนแรงจนถึงกแก้แค้นตำรวจแก่แค้นอายการแก่แค้นศาลติดตัดสินให้ตนต้องติดคุกนั่นก็แสดงว่าทําตัวเองให้ตะลําลึกลงไปเรื่อยๆบาปกรรมที่ทําก็แรงขึ้นโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะอัจาของบ้านเมืองก็จะแรงขึ้น คุณภาพทางจิตวิญญาณก็ตกต่ำลงไปทีเดีแล้วยจนถึงก็ตกนรกในที่สุดลักษณะเหล่านี้บางครั้งมันมีอะไรเหนี่ยวรั้งอยู่ภายในใจทั้งๆที่รู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรแต่ก็มีจุดหนึ่งที่ต้องการเอาชนะในจุดนั้นให้ได้อย่างข้อนี้เพิ่สังเกตพระเทวทัต ก่อนที่ท่านจะตายคือประสบอาการเจ็บปวดอย่างแรงเราต้องการจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ลูกศิษย์ถามไปจากขยะศีรษะซึ่งอยู่ในแคว้นมกฏเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประเชตวันซึ่งอยู่ที่แคว้นพาราติเมืองสาวัตชีเมือกุไกลูกศษยก็เตือนว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ยอมให้อาจารย์เฝ้าเรา อาจารย์กระทำผิดอะไรกับพระพุทธเจ้าไว้ปักท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของผมทำของผมคนเดียวพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันหมดสำหรับคนทั้งหลายไม่ว่าใครจะทําอะไรกับพระองค์พระองค์ก็กรอบด้วยกรุณาต่อคนทั้งหลายเสมอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนายขมังธนูซึ่งเคยไปซุ่มเพื่อจะฆ่าพระองค์นายช่างนาราฬิรีซึ่งปเิวัตเคยเปล่อยให้ไปแทงพระองค์ โจนกุลิมาลซึ่งไล่ลาพระองค์ปฏิวทัติซึ่งทําผิดครั้งแล้วครั้งล่าแล้วก็พระราวขุนซึ่งเป็นพระโอรสพระเจ้ามีพระมหากุณาเสมอกันนี้แสดงเห็นว่า ล, ลึกๆจริงๆพระเทวทัต์ท่านรู้ว่าท่านทําอะไรไปก็ทําไปแต่รู้แต่เจ้าไม่ได้โกรธตอบไม่ได้เกลียดไม่ได้ขัดเคืองไม่ได้ต้องการจะแก้แค้นอะไรแต่ท่านก็ยังทำ ไอ้บาปกรรมต่างๆนี้ท่านทำมันก็ลึกลงไปเรื่อยในตอนแรกๆไม่จนถึงก็เป็นอ น, นันตรีกรรมอะไรแต่พอความเข้มข้นของความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นต้องการเพียงแต่เอาชนะเป็นลักษณะของการแข่งดีถือว่าตัวเองก็เป็นกรรษัตริย์พระพุทธเจ้าก็เป็นกษัต ร, ริย์อายุรุนราวก็คราวเดียวกัน ศักสีอะไร ต, ต่างๆก็เท่ากันเมื่องั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ควรจะเป็นพระพุทธเจ้าได้โดยก็ไปเ ป, ปนั่นได้ไอ้จุดนี้คือต้องการแข่งดีต้องการเอาชนะกางท้ที่ลึกๆตัวเองก็รู้อะไรเป็นอะไรสิ่งที่เดือดร่างจิตใจอยู่แม้เพียงเล็กน้อยอย่างนี้บางครงาวมัก็หน่วงเหนียวเอาบุคคลให้ตกต่ำลงไปได้โดยลาดับ ถึงถ้าสังเกตการกระทำของพระเทวทัตแล้วมาแรงสุดก็ในตอนที่ประกาศแยกสงคือเป็นสังฆเภทท่านทำพระพุทธเจ้าจนพ่อพระโลหิตก็เป็นนานานติกรรมข้อหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่แรงทังทําสังฆเภทแม้จะเป็นนานานติกรรมด้วยกันทั้งถือว่าทําสังฆเภทคือยุยงสูงให้แตกกันนั้นก็เป็นบาปหนักที่สุดแล้ท่านก็ทำ แสดงเห็นว่าไอ้จุดเราเนี่ยเป็นจุดที่มีปัญหาเป็นลูกตุ่มที่ถ่วงจิตวิญญาณของบุคคลเอาไว้ไม่ยอมให้พัฒนาไปหรือตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพระพุทธเจ้ารับชายกล้ชิดมาตลอดเวลา29ปีเวลาท่านบวชมาแล้วตัวที่มีปัญหาก็มีอยู่อย่างเดียว คือมานะความถือตัวการติมานะดูหมิ่นคนอื่นตื้อตัวว่าตัวเองเป็นข้าก่าต่อเลี้ยงคนอื่นเป็นคนนอกเป็นคนจรเป็นคนมาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเป็นระบดแล้วท่านก็ติดอยู่ตรงนี้ท่านยึดติดกับอดีตเมื่อ29ปีที่แล้วให้ความสำคัญแก่ตัวเองเมื่อ29ปีที่แล้วโดยลืมไปว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ท่านเป็นเพียงปุตตุชนธรรมดาเป็นพระบวตใหม่ประสาริบุตรเป็นพระอราหันต์เป็นรักสาวกแต่ทางก็ด่าวา่าประสาริบุตรโมกขลาน่าเฉยๆท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นพระลูกเจ้าของข้าพเจ้าตอนพระลูกเจ้าเสด็จออกผนวตก็ไม่เห็นมีใครก็มีแต่เราคนเดียวพวกท่านทั้งหลายนั้นเหมือนกัสบสะบะลอยมาจิตริมตะลิง สาริบุตรมกข า, านะเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินชื่อไม่รู้เป็นใครอยู่ที่ไหนกิเลสตนนี้ที่จริงก็เป็นกิเลส ท, ที่ค่อนข้างลึกเพราะถ้ากล่าวถึงระดับสังโยชน์มันก็อยู่สังโยชน์ที่ลึกระยบุคคลสามประเภทแรกก็ละไม่ได้ละได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเมื่อ จ, จากจุดนี้เราเจะเห็นว่าก็หน่วงเอาพระช น, นะไว้ก็ดีที่บารมีท่านพอจะบรรลุมรรคผลเป็นพระหัน์ ไม่ตายจะในระหว่างเพราะว่าคนจะเป็นพระอรหันต์นั้นเกิดมาในชาตินั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์คือใครจะทําอันตรายก็ไม่ตายต้องบรรลุอรหันต์เป็นปรรพระอรหันต์ไปก่อนเลาจึงจะนิพพานแต่ถ้าหากว่าท่านปล่อยตรงนี้ได้ท่านก็บรรลุมรรผลเป็นพระอรหันต์ไปตั้งแต่สมัยนุ่มหลงแล้วปัญกิเลสล่านี้จึงเป็นกิเลสประเภทที่มันอยู่ลึกๆภายในใจที่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นสังโยชน บางครั้งเราอาจจะรู้สึกมันดีๆดูเรียบร้อยดูส ง, ง่าดูภาคภูมิดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดีแต่แท้จริงแล้วมันก็คือกิเลสเรื่อกันดูกิเลสจึงเป็นเรื่องที่ดูค่อนข้างยากคำสอนในแนวกรรมฐานนั้นที่จริงไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนี้แต่ก็อยู่มาตั้งแต่ต้นๆเช่นสอนในพิจารณาศีล สมาทานศีลไปแล้วรักษาศีลไปแล้วก็ตรวจสอบดูศีลดูเรื่องปกติตอนนั้นไม่ถึงก็เป็นกรรมฐานเช่นมาจากเช้าถึงเย็นหรือจากเช้าถึงก่อนนอนก็ดูว่าศีลเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรบกพร่องไปบ้างไหมถ้าบกพร่องไปถ้าเป็นครวญก็ตั้งใจสํารวนระวังใหม่อติดตานศีดใหม่หรือขอศีดใหม่ถ้าเป็นพระก็สอนในแสดงอบัติ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเองในส่วนที่มีความบกพร่องประการอนุพษษษษษษษษิปฏิบัติธรรมานั้นเป็นการทวนกระแสะกิเลสไม่มีใครที่ทําได้สมบูรณ์นอกจากเป็นพระหันเพราะในช่วงที่ยังไม่บรรลุอรหันต์เป็นพระรห น, นั้นจะต้องมีปัญหาบ้างๆน้อยบ้างประก า, า, ารสำคัญบรรลุเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่ก็คล้ายๆกับเราป่วยเรามีอาการป่วยเกิดขึ้นแต่เรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามีอาการป่วยเกิดขึ้นถ้าปล่อยเอาไว้ ความปวดก็จะรุนแรงสร้างความทุกข์ทรมานทุ่เสียเวลาบันเทาสุขภาพกายสุขภาพจิตก็รีบเร่งบำบัดก็ตั้งแต่มันไม่แรงแรงแล้วก็หยุดโรคในตอนนั้นได้แตานองใกล้ๆกับมีไฟลุกขึ้นเดี๋ยวก็รีบดับมันก็ไม่หรอกไม่ถึงกับเรียบร้อยแต่ว่ามันไม่น้อยหน่อยการดูในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นการดึงอคุณสมบัติต่างๆที่เราใช้มา ว่าในเรื่องศีลในเรื่องทานแล้วงก็สอนในสวนสอบดูเจตนาในเรื่องศีลก็สวดสอบดูว่ามีความบกพร่องถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่แต่การดูนั้นเป็นเรื่องของต่างคนต่างดูในใจคนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยดูที่ตัวเองแต่มักจะมีการตรวจสอบไปดูที่คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าตาเรานั้นมองไปข้างนอก แต่การดูตัวเองนั้นเป็นการใช้ตาไหนคือตาปัญญาแล้วไม่เข้าข้างตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเองไม่หลงตัวเองคำสอนเรื่องตนในตอนตอน้ตนๆตรงสอนเป็นฐานทั้งท่านสาวชนทั้งหลายก็จำกันได้ได้หลยอัตยอัตโนโนาทูคือต้นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ เพราะบุคคลรู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็ควรจะทำตนให้เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงแต่จากช่วงนี้ถึงช่วงนี้ที่จริงก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ประการทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริงนะั้นทำอย่างไรแม้เราจะยอมรับในตอนต้นว่าตนเป็นที่พึ่งของตนต่เ อ, า, อาจริงแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ เาะชีวิตมันก็แปลกแยกออกไปในรูปแบบต่างๆลักษณะต่างๆตามพื้นฐานของแต่ละคนตามการสะสมของแต่ละคนการครบหากันแต่ละคนการตัดสินใจของแต่ละคนในแต่ละขณะเพราะจึงทรงสอนให้พิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วก็ลงโทษตนด้วยตนบางครั้งมันมีปัญหาขัดแย้งกันถึงคราวที่เราจะต้องเลือกว่าจะเอาอะไร ม้วก็เอาได้อย่างเดียวพระเทระรูปหนึ่งชื่อพระจักคุบาลสละทรัพย์สมบัติมาสาลออกไปบวชรีบเรล่งบำเพ็ญเพียรนั่งอธิษฐานไม่นอนใชย้ยาบวชสามอย่างคือยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดสามเดือนเป็นอาการทุต ด, ดงประการ่ง ธุดงนั้นที่จริงก็คือคุณสมบัติของนักสู้ทุตเะเรียว่านักเลงหรือนักสู้ทำอะไรฝืนปกติออกมากๆถึงหมายความว่าจิตใจก็ต้องเข้มแข็งพอสมควรเอาก็จริงปรากฏว่าได้ไปเดินครึ่งแต่นั่นเองเกิดมีปัญหาที่ดวงตาหมอมาตรวจสอบว่าให้ยาท่านก็นั่งหยอดยาน้ำยาก็ไม่เข้าไปทีตาอาการโรคก็แรงขึ้น พอเลยไประยะหนึ่งหมอมาตรวจดูไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็สงสัยพระยาเขาดีถามว่าคุณเจ้านอนยอดหรือนั่งยอดท่านไม่ตอบหมอข้าไปดูที่ห้องนอนปรากฏไม่มีที่นอนมีแต่ที่นั่งถามไปตา ม, มาท่างก็สารภาพวาท่านไม่ได้นอนหมอก็ยื่นคำขาดให้นอนาถ้าไม่นอนตาจะบอดแล้วก็เลิกรักษากันเมื่อถึงคราวที่จะต้องถือ จะต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าจะเอาอยัางไงจะเอาตาในหรือจะเอาตานอกแล้วก็อยู่ที่ความคิดของคนระดับนั้นระดับที่จะบรรลุมรรคผลเป็นประหรัรถ่าเก็คิดเห็นว่าตาภายนอกนั้นที่จะก็นำปนัญหามาเยอะแยะถ้าเราไม่เห็นรูปโดยตากำหนดความสวยงามของรูปโดยตาที่อย่างหนึ่งความสงบใจมันก็เกิดได้มากแล้วก็จริงตามันก็ต้องแตกทำลายไ ไม่ทำลายวันนี้วันต่อไปมันก็ทำลายอย่างช้าก็แค่ตายตานี้มันก็บดสิ้นไปแต่ตาภายในคือตาปัญญานั้นเป็นเรื่องที่เราสร้างยากวันจะเอามรดผลดีกว่าและในที่สุดท่านก็ยอมตาบอดนั่นก็หมายความมาถึงทางแยกที่จะต้องเลือกแล้วจะเลือกเอาอะไรคุณลักษณะเหล่านี้ก็มีอยู่ทุกคน อย่างการเลือกของพระพุทธเจ้าระหว่างการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิกับการเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือทางแยกที่จะต้องเลือกซึ่งโครงสร้างเหล่านี้ท่านสาธารณสังเกตได้ว่ามันก็มีในชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละขณะเราอยู่ในที่เดียวกัน2แห่งนะไม่ได้เราก็ทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งในขณะใ ด, ดขณะหนึ่งเพราะาเมื่อมาถึงทางแยกว่าจะต้องเลือกบุคคลจะต้องเลือกเอาในจุดที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุด ก็ดูว่าจะทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรประโยชน์นั้นมากน้อยยิ่งหย่อนแตกต่างกันอย่างไรให้ประโยชน์ช่วงยาวช่วงสั้นต่างกันอย่างไรแล้วก็เลือกเอาประโยชน์ตรงนั้นเล้วเรื่องการมองที่จิตใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคื อ, อเรื่องกิเลสไม่จะถึงกับปฏิเสธด้วยประการต่างๆ เราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการระดับล่างๆระดับสบายๆระดับโลกๆมันก็กิเลสไม่เข้มข้นเกินไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไปจริงแล้วคนที่หมดกิเลสอย่างที่เชิงก็เป็นระดับพระหันท่า น, นแต่ว่าระดับที่เป็นมนุษย์ซึ่งมีความเรียบร้อยพอสมควรกิเลสก็ลดลงไปแล้วระดับเทวดากิเลสโดลดลงมาอีกระดับพรหมกิเลสก็ลดลงมาอีก ระดับรูปโภคงิเลสก็ลดลงมาอีกระดับพระยะกิเลสก็ลดลงมาอีกแต่หมายความว่าถ้ากิเลสลดแล้วนี่จิตจะสูงขึ้นเพราะกิเลสมันจะเป็นลูกตุ้มมันจะถ่วงใจของเราไว้โลกตั้งกว้างใหญ่ไพศาลนึกแต่เรื่องตัวเองเท่านั้นเองให้เราสังเกตว่าความโลภความโกความหลงซึ่งเป็นยอดรวมของกิเลสแม้ทั้งยอดสิบเองที่จริงมันก็คือรวมของโลกโกรธตรง ที่กล่าวมาข้างต้นห้าข้อหนะักยัติทิฏฐิความเห็นเป็นเอกือตัวถือตนวิจิกิจฉาวความลังเลสงสัยศีลปฏิบารมการ ถ, ถือบ้่นโดยศีลด้วยวัดโดยข้อปฏิบัติที่งม ง, ง, งายไร้เหตุผลต่างๆนันก็เป็นกิเลสประเภทโมฆะคือความหลงเวลาท่านแยกท่านแยกก็ได้มากใหม่เป็นการแยกไปตามอาการไปตามความเข้มข้นขอ ง, ของกิเลสเหล่านั้น ซึ่งเราเห็นว่าความโกรธอาการมันต่างกันโกรธมากโกรธน้อยโกรธเพราะเหตุอะไรโกรธรอบตัวหรือโกรธเฉพาะคนใดคนหนึ่งโกรธเฉพาะที่ใดที่หนึ่งอาการที่แสดงออกมันก็ไม่เหมือนกันคนบางคนนี่โกรธไปหมดเลยมันก็อลรวัตสมมุติเราถือไม้พลองก็หมุนซ้ายหมุนขวาคือตีดาบไปเลยเพราะว่าความโกรธมันมากอาการรัศดร้ายมันก็แรงแต่บางทีความโกรธมันก็ไม่แรงขนาดนั้น เพราะกิเลสประเภทความโกรธก็มีชื่อเรียกยาตามอาการที่ปรากฏเพราชื่อเรียกเนี่ยที่จริงเป็นการเรียกอาการของมันทั้งหมดถืบเชื้อสายมาจาก โ, กโรคโกรธตรงทางนั้นการมาาคะก็เป็นกิเลสประเภทโลภปฏิฆะก็เป็นกิเลสประเภทโกรธแต่ว่าโกรธไม่ใค่อยแรงคือไม่ถึงก็ออกมาข้างนอกทัานเรียกว่าปฏิฆะเป็นการกระทบกระทั่งทางใจหงุดหงิดรำคาญมันใส เป็นอาการทางใจหรือบางครั้งก็อาจจะออกมาทางแววตาแต่ก็ไม่ถึงกับลงไม้ลงมืออะไรท่านก็เรียกแค่เป็นปฏิขัมภเพราะกิเลสทั้งสประการเนี่ยทั้งสามกลุ่มเราจะเห็นว่าโลบนั้นก็คือแสดงความเมินแกีตตัวอยากได้อยากมีอยากเป็นถามมาอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อใครก็เพื่อเราอย่างเอื้อมออกไปก็เพื่อ ครอบครัวเราสกุลเราครอบครัวเราครอบครัวของเราตลอดไปจนถึงประเทศชาติเราจะเห็นว่าพอถึงประเทศชาติมันใจไปนชักเกียวกว้างแล้ใจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเทร่าไรระดับโลกโลกระดับเครียกว่าระดับกามาภูมิมันก็ไม่คยมีปัญหาอะไรกิเลสประเภทโลกท่านจึงเรียกว่าเป็นกิเลสประเภทสร้างแต่ถ้ามากนั้นจะทํำลายแต่ถ้าพอดีพอดีแล้วจะเป็นประเภทสร้าง คือเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ทําให้ได้ให้มีเป็นขึ้นก็กลายเป็นความมีความเป็นผิดผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกก็เกิด ข, ขึ้นมาจากความโลภแต่นี้บางทีก็โลภแรงไปจิตวิาลายทรัพยากรธรรมาชาติทําลายป่าทําลายน้ําทําลายสิ่งต่างๆจนกลายเป็นพิษเป็นภยัยเรียกว่าเป็นมนลพิษซึ่งเป็นปัญหาที่ประวิตรตกกังวลกันแพร่หลายในปัจจุบัน กิเลสประเภทความโกรธนั้นเป็นกิเลสประเภทเพื่อความสะใจกันตัวเองเพื่อปก ป, ป้องตัวเองก็ทำลายคนอื่นแก้แค้นคนอื่นประทุษร้ายคนอื่นเพื่ออะไเพื่อความพอใจกันตัวเองคนอื่นโดนร้อนอยังไงก็ไม่ได้คิดไปคิดว่าตนได้มีความสะใจมีความพอใจเมื่อก่อนสบายใจโดยบางครั้งพระเจ้าก็สงสอนให้ดูว่าความโกรธเนี่ยมันมันเหมือนกับต้นไม้ที่มียอดหวาน แล้วก็ข้างล่างเป็นพิษบางทีทรงยกตัวอย่างอ้อยให้ดูว่าเหมือนก็อ้อยเนี่ยข้างข้างยอดเนี่ยมันหวานแต่ว่ามียาพิษอยู่ข้างล่างกรากินตอนบนมันก็รู้สึกอร่อยดีแต่ว่าพอไปเจอยาพิษมันก็ปฏิกันคนที่ทาอะไรไปตามหน้าของความโกรธนั้นจะรู้สึกสะใจจะรู้สึกสบายใจไปช่วงสั้นๆเป็นนาที แต่ความทุกข์ทรมานที่สืบเนื่องมาจากการกระทําทุจริตร่ายใยความโกรธเป็นเด่นนั้นจะให้ความทุกข์แก่เขานานๆเราจะเห็นตัวอย่างบุคคลบางคนพูดของอารมณ์ในฆ่าคนเด็กจะถามเวลาเท่าไหร่ที่ได้ความสะใจได้ความพอใจตลอดถึงความมันในอารมณ์ของตัวเองอะไรก็ตามแ ล, และแต่เขาจะเรียกกันเนี่ยเป็นช่วงท่านสั้นเป็นเรื่องก็นาทีแล้วก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก, ก็เรียกว่าไม่ถึง5นาทีได้ทำไป บางทีก็อาจจะไม่ถึงหนึ่งนาทีในช่วงของบุบอารมณ์เแต่ความทุกข์ความทรมานที่ถูกลงโทษแบบจากของบ้านเมืองหรือความวิตกกังวลต้องหนีกระเซาะกระเซิงไปในสีต่างๆนั้นตลอดทั้งความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแกวงศากณายาตระกูลวงนั้นเป็นเรื่องยาวนานแล้วกันบางทีตัวเองตายไปแล้วก็ยังกระตุกกระตือตึงลูกหลานสู้หน้าชาวโลกก็ไม่ได้ การมองนั้นจึงต้องมองข้างนอกด้วยมองคนโลคคนโกรธคนหลงด้วยจึงจะเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงได้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าคนชั่วทั้งหลายเนี่ยชั่วมากชั่วน้อยก็ตามก็มักเกิดขึ้นมาจากความโลภความโกรธความหลงแล้วแสดงอาการของผู้โลภอาการของความโลภอากาศของอาการความโกรธอากาศความหลงออกมาในลักษณะที่กล่าว แล้วคนเหล่านั้นเมื่อมีลักษณะอย่างนั้นเป็นปกติหรือแม้แต่ช่วงในช่วงหนึ่งจะเกิดความโกรธเราก็เรียกว่าคนโกรธนายคอโกรธนายขอโลบนายคอหลงอะไรเนี่ยเราก็เรียกไปอย่างนั้นที่จริงก็คืออาการแต่ว่าอาการมันต่อกันมาหลายๆนาทีหลายชั่วโมงบางทีก็เป็นปกติเราก็เรียกคนชั่วเรียวคนพ่านเรียกว่าบัณฑิตคือลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเป็นปกติแล้วก็จัดกลุมเป็นคนพ่านเป็นบัณฑิต บันดิตก็เป็นอาการของธรรมะเป็นการสะท้อนธรรมะมาการมองถ้าเรามองเห็นที่คนแต่เวลาพระเจ้าสอนก็ไม่ได้สอนเฉพาะที่คนสอนต่อจากคนไปอีกกลายเป็นตกนรกกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตติระฉานประสบความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆนั้นก็คือผลที่สืบเนื่องมาจากความโกรธความโลภความโกรธความหลงในสังสารวัฏก็าย่ำแย่ มีแต่ความทุกข์มีแต่ความตกต่ําทางจิตปิดาณพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเองก็หาความสุขไม่ได้ตายไปแล้วก็ยังประสบความทุกข์อีกเพราะเมื่อเราพูดถึงโทษกิเลสเนี่ยจะพูดทั้งสองช่วงช่วงที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นๆคือในขณะจิตที่คิดจะทําชั่วมันก็ทําผัสความชั่วได้แล้วการเผารนของกิเลสและการเผารงของความเดือดร้อนใจหลังจากได้ทาความชั่วเหล่านั้น สถานะของเราในสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปถูกสบประมาทถูกดูหมินถูกนินทาถูกกล่าวไร้ถูกพาดหัวตัวไม้อยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ต้องหลบต้องซ่อนอะไร ต, ราต่างๆอากพี่นน้องเองก็พลอยเดือดร้อนบริตรกังวลกันวุ่นวายเป็นการใหถ้าหากว่าบุคคลได้มองในจุดตอนนี้ได้เห็นได้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ยังเห็นได้หลายจุดดีคือมองยาวเป็นกระบวนการได้ยิ่งดีเพราะถ้าหกว่าเรามองสั้นๆมองเว่าจุดใดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไอความสํานึกที่จะลดละจะบรรเทาให้กิเลสตอนนั้นมันจางลงไปมันเกิดขึ้นแต่ยากแต่ถ้ามองเห็นโทษยืดเยื้อยาวนานเนี่ยก็จะเกิดความหวาดกลัว ค, ความสะดุ้งพระพุทธเจ้าเวลาแสดงโทษจะแสดงโทษยาว แล้วกลายเป็นสังสารวัตที่กฎของกรรมซึงนำคนให้เกิดมาแตกต่างกันนั่นก็แสดงว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสที่ทำให้เกิดมาทุกคนละภาพบ้างมีโรคมากบางเกิดในสกุลต่มบ้างรูปร่างสวยงามบ้างเป็นที่ไม่ชอบใจพอใจกบกุคคลอื่นบ้างก็แล้วแต่จะยกมาพอสาวกลับไปมันก็เจอแล้วก็เจอลึกลงไปก็คือสังโยชน์ สังโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการกระทบอารมณ์ในแต่ละขณะในแต่ละวันเกิดความเคลื่อแกรต้องไยบ้างเกิดความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาบ้างเกิดความถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยก้อปฏิบัติต่างๆบ้า ง, างจนบางครั้งเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาสร้างให้เราก็ยอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นซึ่งต้นชาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า อาการยึดมั่นถือบั่นในสิ่งทงั้งหลายซึ่งว่าต่จริงสิ่งนั้นเมื่อเดิมมันก็ไม่มีแต่เราก็ไปยอมรับเงื่อนไขนั้นๆเข้ามกากลายเป็นอาการของเรียกว่าพอสัมผัสก็เกิดเวทนาเกิความชอบความยอมรับแล้วก็พอใจติดใจในสิ่งนั้นก็อยากได้อยากได้ก็ยึดยึดก็อยากอยากก็ยึดก็หมุนหมุนก็อยู่อย่างนี้ในแต่ละวันเราก็มีสัมผัสคือมีการกระทบ อารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราชอบเราก็อยากพออยากมันก็เป็นตัณหาก็าเป็นตัณหาก็เป็นอุปาทานทุกทีทุกครั้งที่มีตัณหาทุกก็ทุกครั้งก็ไม่อุปาทานจะเรียกว่าอยากแล้วก็ยึดยึดแล้วก็อยากก็กลับไปกลับมาอย่างนี้ให้เราสังเกตว่าเช่นสมมติว่าอาหารที่เรารับประทานครั้งแรกคือไม่เคยรับประทานมาเลยพอรับประทานรู้สึกอร่อยตอนรู้สึกอร่อยนั้นก็เป็นเวทนา พอใจดีใจในอาหารเหล่านั้นแต่ตอนอาหารกระทบลิ้นมันก็กลายเป็นสัมผัสตัวอาหารเองก็เป็นผลิตภะณหรือมากระทบตัวชิ้นอาหารนะฮะตัวรสอาหารก็เป็นรสตัวชิ้นอาหารก็เป็นผลิตภะมากระทบแต่แล้วพออยากอยากแล้วก็ยึดยึดแล้วก็อยากต่ อ, อ ก, กินเสร็จแล้วไม่กี่วันก็อยากกินต่อแต่เราเห็นว่าบางทีอาหารเราชอบชอบปากก็ถูกปากเรากินมาตั้งแต่เด็กจนตาย จะเกิดชาติต่อไปก็อยากอีกเพราะอะไรเพราะยังมีตระหนักปาทานอยู่ภายในใจจิิงเหื่อนั้นที่จริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นสร้างให้อยากสร้างให้อยากไปอยากแล้วเราก็ยึดต่อไปจะทามาจากอะไรก็มาจากกิเลสซึ่งในจุดนี้ทรงใช้คำว่าสังโยชน์แต่ไม่ควรติดใจว่าต้องเรียกว่าสังโยทุกทีเพราะการเหล่านี้เรียกอย่อ่นก็ได้ เพียงแต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นโทษถ้เปล่อยให้เกิดความรุนแรงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นภายในใจก็เป็นอาการของนิวรณ์ทำทใจใจคุณหม้อเศราหมองกันจิตคนเอาไว้ไม่ให้มีความสงบไม่สามารถรักษาความดีหรือตั้งมั่นอยู่ในความดีได้ดังนั้นเรตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสรต่อไป